ในการศึกษาอาตัตตาสุกโตนี่ผู้ไปผู้มาเราไม่แปลกหน้าอะไรเราเห็นใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็ช่างถือว่ายา ก, กันแล้วแต่เพิ่งได้พบกันเป็นความใกล้ชิดสนสนมถ้ามีอะไรที่จะให้ช่วยก็ยินดี ว่าผีปะไขกันได้ตามสานะของพวกเราฐานะของพวกเราก็อยู่ในสมบกจนจนเท่าไรยิ่งดีทุกเท่าไรยิ่งดีความสุดกสบายนะมันหลงง่ายอันความทุกข์ความยากมันไม่ประมาทไม่ว่าอะไรก็าตามผู้ดใดประมาทแล้วในการก่อนภายหลังไม่ประมาท ชื่อว่าสร้างโลกให้สว่างแล้วหหนพระจันทร์พ้นจากเมฆถ้าประมาทแล้วประมาทอีกก็ถือว่ามืดมามืดไปก็ไม่เพ่มคาชีวิตของเราที่เกิดมาตัวจึงอะไรหละการรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยเป็การพัฒนาต้นต้นตั้งต้นเมื่อรู้สึกตัวอยู่ก็ไม่ประมาท เพราะว่าความรู้สึกตัวเน่ยมันตั้งต้นจากทมดีเป็นมารดาของความดีทั้งหลายแบบมีเรื่องมีราอะไรดีนี้จะยังไงมาก็ตามถ้าเรามีความรู้สึกตัวแล้วเปลี่ยนละไม่ใช่ว่าโทสะจะหลุดต้องแผ่เมตตาโมหะจะหลุดต้องสร้างกุศลเราก็จริลต้องเต่งอสุภะกรรมฐาน มันถูกต้องเสมอไปถ้ามีสตินั่นจะเป็นโทสะจริตโมหจริตลาขาจริตตรอด ถ, ถึงพุทธจริตไม่เลื่อมใสถสัทธาในคำสอนเกิดขึ้นมาเลยถ้าเรามีสติเอะเราสัมผัสตูแล้วเป็ความถูกต้องที่สุดเวลาเราเดินจงกลมหงุ่นคุณคิดนันก็มีรสชาติความคิดเนี่ยเพรามังเคยชิน บอลเรกลับมาทำความรู้สึกอยู่กับข้าวที่เราเดินไปเรื่องก็จบลงเห็นอนินึ่งของของการมีสติเรื่องขนาดไหนก็ตามถ้าเรามีสติเนี้ยจะเฉลุยได้ไม่ต้องไปใช่เหตุใช่ผลอะไรเป็นกรรมาฐานร้วนๆเป็นของที่ลิขิตได้ทุกอย่างแต่เป็นความทุกข์ความสุกความแลิกความช่องถ้ามีสติล้วก็ก็ปกติได้ เราจึงมาประับให้ใช่ตามฐานะตามกาลเทศะเวลาวันหลงเรารู้นีเราใช่ถูกกาละเทศะเวลาวันทุกเรารู้เวลาวันโกรธเรารู้มันเกิดเลยขึ้าตามเรารู้สึกตัวตนะัวกวาลเทศะถ้าไปใช่ตรงนี้มันก็ไม่สําเร็จประโยชน์ไม่สําเร็จประโยชน์เหมือนอย่า ยาดีแต่ไปเอามากินดีขนาดไหนก็ไม่สําเร็จประโยชน์ตาโดนตาไ ด, าได้ได้ยาผีบอกอ่ะลืมไปนนะเราส่งมาอย่ารั่วใครที่ไหนแค่ไหนเขาส่งมาเขาก็บอกว่าห้ามเก็บไปให้ส่งไปให้คนอื่นเต้ยไปยาดีถ้าเราไม่ใช่เราก็ไม่สําเร็จประโยชน์เราเคยตรวจพิสูตร เวลาเราไปสวดมนต์ในบ้านสกตทวาพุทธรัตตนังสกตทวาธรรมลัตตนังสกตทวาสังฆรัตตนังโอสัตถังโอตมะงวลังพระทุกขาสัพะโลคาสัพะปัญาที่นาสัยะผลิตตังปูธะมังคลังสำนั้นมนต์อันนี้ก็โอสัอันหนึ่งไม่ว่าจริงเลยถ้าเราไม่ใช่ พุทธลัทนางเฮล่าเฮล่ป่วยพุทธังสรณะนางขจ้ามิพระพุทธเจ้าเป็นสรัาอันเสริของข้าพเจ้าข้าพเจ้าอาศัยสรัทนี้แล้วจึงพ้นจาทกทุกข์ทั้งปวงเลยลองดูลองดูลองเอายาขนาด น, นี้ไปใช้ดูเวลาเกิดทุกข์โศกโรคภัยอะไรต่างๆก็ ต, ต่างให้ะระลึกถึง พุทธคุณธรรมคุณสงฆ์คุณอย่าโทษทิ้งเวลาเจ็บควบเก็บเอาไปกินหมดไม่เคยนึกคิดไม่เคยฝึกหัดตัวเองแล้วก็หลงเข้าไปยิ่งเวลาเจ็บใขรได้ป่วยยิ่งเป็นเวลาที่หลงแต่ถ้าเราฝึกแล้วเวลาเจ็บใขรได้ป่วยยิ่งเป็นเวลาที่รู้แม่นยาชัดเจนมากันนั้น วัยที่สุดมันความรู้สึกตัวหรอกเหมือนกระบวนการแห่งการช่วยเหลือศีลมาช่วยแต่บางอาทิมาช่วยปัญญามาช่วยพระพุทธพระตํรพระสงฆ์มาช่วยคุณบิดามารดามาช่วยคุณครูบาอาจารย์มาช่วยคุณศิลคนทานมาช่วยถ้าเราไม่ฝึกอะไม่มีอะไรก็จนเราจึงไม่ประมาท เตรียมใจก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําก่อนแลกเตรียมแป้งก่อนเดินโบราณท่านสอนไม่มีการเตรียมตัวอะไรมันก็จนไม่ควรจนก็จนไปทําอื่นก่อนรู้ไม่รู้จากทิศจากทางงั้นที่เราพูกขานี่ไม่ใช่ของเล่นๆไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์ บางคนถือว่าไม่เหมาะสาหรับเราเราก็หลงอยู่ทุกวันทุกวันเราก็มีปัญหาทุกวันทำไมจึงว่าไม่เหมาะสมเหมาะสมสำหรับคนอยู่วัดสาหรับผู้เท่าโฮเจอยิ่งเป็นหนุ่มยิ่งเหมาะสมเพราะคนหนุ่มนี่มันอาจนะตระมันงกงามแล้วก็ผิดตลาเขโก้ไปเลยลองอันถูกเป็นเรื่องผิดไป ง่ายที่จะผิดการค้นแก่มันง่ายที่จะไม่ผิดนั้นเป็นธรรมชาติช่วยเหลือบ้างเป็นสำหรับคนหนุ่มหนมสูสาวๆการฝึกผลต้นแดงเนี่ยเราจะมาหัดเอาไว้อย่าประมาทแม้ไม่ได้หัดจริงๆก่เอามา ล, ลึกถึงทำไมก่อนเพราะพิกสุสงเมื่อออกภสษาแล้วต่างองคต่างหลบหลีกกันไปอยู่ วิเวกตามป่าตามเขาเวลาไปอยู่คนเดียวอาจจะกลัวช้างกลัวเสือกลัวอะไรตัางๆไม่มีอะไรกลัวก็คิดกลัวความคิดตัวเองพล้วเจ้าก็บอกว่าคิดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ลองคิดพอคิดขึ้นมาแับมันก็เป็นไปได้ทาให้ลืมความคิดที่ต้องกลัวไป หันมาคิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยื่งใหญ่แม้บางคนน่ยไปปลูกบ้านสร้างเรือนในที่ฉิดที่ขวงเอารูปพระพุทธเจ้าไปติดด้วยเอารูปพระเจ้าแผ่นดินไปปักไว้เป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของโลกพระเจ้าอยู่ที่ไหนไม่มีอันตรายไม่มีศัตรูแล้วก็เป็นการ พึ่งพาอาศัยได้เป็นนิมิตยิ่งเราประหัดได้สัมผัสกับพระธรรมก็ยิ่งดีอะ่ะเวลาจนมาเราเป็นยังไงอาจจะไม่ได้คิดเลอะไร ย, ยิ่งจนก็ไปบอกเขาว่าพุทธโธพุทธโธว่าไปถูกบอกเขาว่าอรหังอรหังก็บอกไปถูกกรคนเขว่านี่ผู้เท่าผู้หญิงคนหนึ่งนะ มาแต่หอยหัวหอยมาจากบวัวแม่เพื่อนขคหัวบกหอยมันบกคือป่ามันบวชจับย่ายเอาเสียมไปกดทากันเท่าๆถึงเขาเจ็บป่วยได้มาถึงเขาเจ็บป่วยมีพระไปสอนว่าอลหังอลาหังแม่ยายอลหั ง, งยยอลหังองอกแล้วว่าอลาหังอลาหังแม่หญ่ก็บว่าอลหอยอลหอย อย่างหลงตาเห็นคนตายก็จะตายนะแม่ใหญ่นั่นตกตะเบ็ดเกิดเป็นวันไหนตกตะเบ็ดฝ น, นแรงตกตะเบ็ดตื้ตะก้ามาทมีคันเบ็ดเรานอนป่วยอยู่ไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วจับแขนไม่มาอยู่เลยโลเต้าดึงแขนไม่มาต้องปล่อยให้อยู่เช่นนั้นจนใจขาดพอตกฝนแล้วก็ทําอะไรอันนี้ทําอะไร ลองตาเห็นมากับตานี่ยเชื่ยวมากเตะต่ำมากไม่เชี่ยวเศร้อยู่นะจับมือไว้ไปเลยแข็งเลยมันจะเป็นไงเมื่อเวลามีชีวิตอยู่ทําไมไม่ฝึกตัวเองเห็นไหมเวลาเรามาวิศิอะไรไมาแ ย, ย่งไปแย่งไปแย่งไปแย่งไปแล้วกลับมาได้ไหมใช้จิตใจไหมถ้าไม่มหัดใช้มันก็ไม่เป็นนะ เราจะมาหัดใช้สติของเราเน่ะเตรียมเอาไวา้มันจะจำได้จำนาญมันก็หัดตั้งแต่ที่แรกเด้อต่อไปไม่ต้องหัดเลยมันจะเป็นไปนเองก็เห็นอยู่กับตาแ ท, ะ ท, ะ ท, ะทะ้ๆเวลาให้นั่งสร้างจัว่าะให้รู้สึกตัวสิบสี่จังหวะหนึงลูสองลูสามลูมันมีถึงสิบสี่จังหวะไหมรู้สิบสี่ครั้งไหมวินาทีได้สิบสี่ลูไหม อาจจะไม่รู้ทั้งหมดรอยเดินอยู่ลุยก้าวอาจจะรู้สักครึ่งหนึ่งงัดไปใหม่ๆเนี่้องตาเนี่ยตัวการมันชอบงานชอบการเมื่อมาเดินจกกรมเหมือนคนหมดกางแล้วก็ชิดไปเปรียบเทียบเปรียบเทียบกับโรเป็นยอดเป็นโยมวันหนึ่งต้องทำแบบคนแก่เขาสน ไปมาจะมาได้เอาไม่ตายมาแจ้งม่านึ่งวัดหนึ่งเตะโอพื้นให้ได้ถ้าไปไล่ไปน็นนาไม่เดินเข้าบ้านเปล่แปลกปืนเข้าไปมาอยู่วัดมาเดินอย่างกัมันคิดสารพัดจางมันถูกมันผิดมันมีประโยชน์นะชนอะไรเหตุวันอะไรแต่ละก็วายิ่งกว่าในเวลาอื่นเวลาเดินอย่างกับไม่อยู่กาสอันเนี้ดีนะ มันเกิดประโยชน์ตรงนั้นล่ะตรงที่มันผิดมันจะได้เห็นมันตรงที่มันคิดล่ะมันจะเห็นนันกานเจริญสติเนี่ยมันกวดนะสติเหมือนกับน้าในบวกชีวิตของเรามืนน้ำในบวกถ้ามีปลาอยู่แต่ก่กนเนี่เป็นเด็กเรื่องพลอยเราโดดลงไปในบวกน้ำไม่ใหญ่มันงมไม่ได้จับไม่ได้ ชวนเด็กด้วยกันลงกวนกวนกวนกวนกวนเตะน้ามกวนจนขุนจนแหลกไปเลยกบมันก็วิ่งหยิบเหนื่อยมันก็คูน้ามาจับก็มีเขาหนึ่งนะเขาหนึ่งก็ไม่เห็นว่าเป็นตัวกบแต่เห็นน้ํากระเพื่อจมจมลงไปนะนึกว่ากบก็งมกันจับไปแล้ววันนี้นะทุกเล่าทุกเล่าต่างคนต่างเอาแล้ ว, ล ว, ลวน้ามติดจับไปจะมาจั บ, จบยกขึ้นเป็นงูงูเสิอ ต้องเือน่านมาโอก็บทเรียนจังนะอะถ้าไม่จึงได้บทเรียนมันจับผิดนึกว่าจับกบไปจับกูซะอันเรานึกว่าเราจะสติมันไปจับความหลงอันและบทเรียนที่ดีเหลายต่อยู่มันหลงนั่นแหละดีที่สุดแล้วนี่ดีอันมีสติเวลามันหลงเนี่ยอย่าไปเกาห่วงเอ้ยทาไมมันหลงอย่าไปคิดแบบนั้นยิ้มที่สุดเลยเวลามันหลงอะ ไห้เวลามันง่วงก็เหมนกันเอาดีๆตัวนีถ้าไม่ไม่มีจุดแข็งในจุดที่มันโอดมันก็ไม่มีประโยชน์ไม่ฝึกหัดไม่ฟิต ไ, ไม่ส่งเสริมไม่เสริมอะไรที่มันจุดอดลงไหยเอาลงไปเหมือนเราปลูกบ้านจุดอดมันอยู่ที่กุดติ้ง้า ต, ตัวนี่หล่มไปบ้านก็หล่มเอาลงไปเทกุดติ้งตอกเข็มให้แน่นนาแล้วก็วานฐาน ตรงไหนไมันจุดตดนมันก็อยู่กับเราเนี่ยไม่ใช่อยู่ที่ใครไม่ทําให้เราไม่จะเราในเรศทำเองเราจึงต้องฝึกตรงนั้นเป็นของคิงแท้ๆเห็นตัวหน้าตัวตาเรามีเฉติเอ้ามันชิดลงไปเอ้ามันสุขเอ้ามันทุกข์แล้วมันก็มีอันสุ ข, ขอันทุกข์นะเราเกี่ยวกับกอบสุขกับทุกข์ยังไงทําไม่เป็นเลย เราบรรสุกก็หมดนู้นหมดตัวไปกับความสุขเราบรทุกก็หมดนู่นหมดตัวระกอบความทุกข์มันไม่ใช่เห็นทุกได้เป็นพระพทเจ้าเห็นผิดได้เป็นบัณฑิตเออไม่เห็นผิดเป็นบัณฑิตไม่ได้เห็นถ้ไม่เห็นทุกเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้มันเป็นเรื่องดีพระพุทธเจ้าจึงว่าเห็นของจริงอันบรเสุทธ สองกิ่งเบอร์เจ็ลคืออะไรคืออลิสติอริสติคืออะไรคือทุกนันแต่ว่ามันมาสอนเราล้วโอ้มันอยู่ตรงนี้หรือเนี่ยเราก็เห็นมันหาที่หาแหล่งมันเหมือนเราไปซ่อมรถหรือไปปะยางรถมันรั่วยางมันรั่วเขาหาโอ้พอเห็นเราก็ยิ้มไปเลยมันอยู่ตรงนี้ถ้าเห็นเราเจอดา ถ้าไม่เห็นเราแจ่มไม่ได้ให้ใครแช่ก็ไม่ได้ น, นี่มันไม่หลบลี้ชีวิตของเราที่เราศึกษาเนี่ยใครก็เห็นได้ไม่มีใครที่ไม่เห็นเช่นความรู้เนี่ยใครใครก็รู้ได้ถ้ามันเป็นคนใบบ้าเสียสติจริงๆแต่ถ้าไปฝึกก็เป็นบ้าเหมือนกันพระวุทธเว่าปุตตุชนคือคนบ้า บ้าอะไรบ้าหลงหลงมากกว็รู้ทั้งๆนี่ประโยชน์ก็ยังเอาอยู่ทุกข์ก็เอาอยู่เอาดีดีทุกยืดถัวยืดถัวสี่ปีหปีแล้วยังออกมาเชียอยู่นั่นหละปกติชนคือคนบ้าจาคิดจาคิดจาทุกข์จมทุกข์เหมือนเดาโกงจักผลหัวตัวเองเหมือนหาหวยใส่หัวตัวเอง จึงประมาทมาได้พวกเราเป็นประโยชน์นี่คือบมืองไทยนี่คือศาสนาะนี่คือพุทธศาสนาะที่จะเป็นพุทธศาสนาของเราคือรู้คือตื่นคือเบิกบานถ้าศาสนาอยู่เป็นวัตถุไม่ได้อยู่กับชีวิตเราไม่มีประโยชน์สาหรับเราอระพเจ้าจะว่าน้อมมาใส่ตัวตระน้อมมา เวลามันหลงก็รู้น้อมความรู้มาใจตัวเราเยอะแยะความรู้ในการในเจนี่แหล่งผิดพมรู้ทั้งสิ้นใช้ได้ทั้งหมดกระพริบตาก็รู้ได้อื่นนัําลายก็รู้ได้หายใจก็รู้ได้ยืนเดินนั่งนอนก็อยู่รู้ได้อินนบุตรที่เจตนาอันอิบุไม่เจตนาก็เจ็บเอาในเนื้อมันในมัน ตัวหลงมีตัวรู้ที่ดันแต่ภาพที่หลงมีสภาพที่รู้อยู่ตรงนั้นมาพร้อมกันเราจะเลือกอะไรเรามีสิทธิเลือกได้เวลามันหลงเราไม่สิทธิไม่หลงเวลามาโกรธเรามีสิทธิไม่โกรธสิทธิส่วนตัวส่วนตัวทุกเวลานาทีไม่มีบุคคลที่หนึ่งที่สองประตูที่หนึ่งที่สอง พระธเจาพระธรรมเนี่ยเป็นถงอัศจร์อัชจริยังไงปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการผู้ปฏิบัติก็ย่องรู้ยิ่งเห็นจริงในสิ่งที่ควรรู้คนเห็นตามทุกควรใจผู้ปฏิบัตินี่คืออชจร์ไม่ต้องเสี่ยงมือวางบนเขารู้ทันทีพลิกมือขึ้นรู้ทันทีเดี๋ยวนี้ ปฏิจจตั้งเดี่ยวนี้นี่แหละของจริงอะไม่ต้องไปหลังเล่สงสัยไม่ต้องไปถามก่อนมันไม่มีคําถามจริงๆมันมีแต่คําตอบคําตอบแบบนี้ไม่ใช่คิดตอบมันเป็นการสัมผัสสัมผัสเราตอบไปเลยไม่ใช่อาคิดมาตอบหาคําตอบจากครมคิดไม่ถูกตอ้องสัมผัสเรามาตอบ แรีว่าปัดจัดตังเป็นของเฉพาะตนไม่ใช่ของขารเป็นของเฉพาะตนแต่ตงตาบหาจินเถาอันเสียบหาจินเถาแต่ว่าไปบ้านคู่เก่อนไปบ้านครัวไปเยี่ยมคนป่ ว, วยผู้เ่าป่วยบ่ป่วยเรียกว่าเสียประสาทไปเยี่ยมลองบงังบ้านเรีว่าเยี่ยมคนป่วยบ้าน คุณองคาใวันรังแคคือจีวรโลดกังได้ก็เข้าจิตเขายินน้ำเขาบอกก็ว่าหายหลงตาซอยไหนบอกเล้วแต่บอซอยตัวเองเลยบอกทังวัดจุกโตนั่นก็ย่ามนั่นก็ไปหากันมันก็ว่าไห้ย่ามเป็นๆอยู่นาเฮาจงมหาจจะของมันดีแท้ เคยเจ็บมาแล้วเคยตายมาแล้วเคยป่วยมาแล้วบ่มันสอนื่อๆบ่ฮั่นเจ็บไปเฮ็ดมาแล้วยังน้อยก็ต้องเจ็บผาเจ็บแขนยางน้อยก็ต้องหิวขา่าหิวน้ายังน้อกก็เคยปวดหัวเจ็บท้องคนรู้แล้วมันบ่มีอี่ยังเงินคนเก็บนะ ให้ควบเจ็บมันก็มีควบหมดเจ็บให้ควบตายก็มีควบหมดตายในควบทุกข์มันก็มีควบหมดทุกข์มันเป็นครูกันยังสิพระพุทธเจ้าจึงหาตัวนี้จึงได้เป็นพระพุทธเจ้าถ้าบรเห็นตรงนี้บ่แมนพระพุทธเจ้าบ่แมนศาสนาพุทธเลยถ้าพรเห็นอย่างนี้บ่แมนพุทธศาสนาเป็นศาสนาเฉยๆศาสนาอิงอาศัยบ่แมน ใส่ได้มันก็อิ่งันอื่นบสคอยปลอดภัยก็จึงมาเห็นกับตาเนาะวันใหม่เรบวันที่สามเรามันใหม่เอี่ยมชีวิตเราต้องต้นใบ ไ, ไมด่ดีๆอยอ่อนแท่ที่ไดบอกพ่สะดวกกันพาออยู่นี่ได้อยากให้มาอยู่นี่อยากให้มา่อยู่นี่ คนเห็นก้มาอยู่วัดอยู่ว่านดีใจร้อยๆยคือจรงมีประโยชน์จรกหน่อยนะคนบางี่พูดมากก็ว่าบาตนี้ทนเราปดิตตมอวสัตฯนาสนทดี่ไปถามมาแล้วหนานทดี่กัในิโมนโหลดที่ไปนอนโยนตึกสงก็นอ น, ยนอยู่นย่ยมึงเว่นมากามาเา น, านี่ยมึงจะเป็นบาตรนล่น เว้นมาก็บหาเหยี่ยวคนป่วยน้ําเตียงอ็ข้าสองข้า้ไปสิมวนดีเอาโบกคนป่วยนะ่ะว่าไม่พูดใด้ยินหรือคือตาหน่อยเขาบ้านนี้สิน้อนน่ะนะมันจุนเลยตื้อโกเลยมันเจ็บอยู่แห้งเฉยดีคนเค่อยเจ็บโป้กับคนที่เจ็บมันเข้าใจกันแจั ง, งน้องตาไปสอนไปอบรมพวกยาเสพติด ใช่ดาล่ารัสมัยหลวงพอบอเคยติดเฮโรอีนแต่เบลคนหนึ่งติดเฮโรอีนเขาเลิกได้แล้วเขาไปรากันกับหลวงพอ่อถ้าหลวงพอบอกเขาหลุดสวยบ่หูวจับอย่างละเมิดคนฉี่ยามาบอกว่าวอ้ยหันเลยหลุยหลุยไม่หัวจักกันนั่นตัอเมื่อหลวงพอบอกฉันบอกธรรมะดีดีบ่ฟังเลย บางคนจีบว่าบองสามกวเหมืนฐานหนามาโปะพี่ไอนเขาจึงเคยเจ็บว่าคนเจ็บเคยตายว่าคนที่ตายนันก็ดีใจดูจากกันนะชวิตเท่าอมันพานตัวเนขันบัวพานตัวเน้บัไม่เกรดเกรดชีวิตขมนุษย์เลยบัวไม่แต่พานตัวเน้เกรดดีเดินเข้าสวรรค์ในพานเลย ถ้าเกตพอดีเขาปฏิภาณมาแล้วนะเกตปฏิภาณต้องเกตโบเป็นเป็นผู้เห็นมันทุกเห็นมันทุกมันโกรธเห็นมันโกรธมันหลงเห็นมันหลงนี่เกต ด, ดีอันนี้ผ่านประตูไะไถ้าเป็นระพานไปเลยนะถ้าเป็นระพานไปเลเกตไมดีเหมือ น, นเราเรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยถ้าเกตไม่ดีเขาไม่เข้าหรอก เกรดไปเนี่ยานน่ต้องไม่เป็นเห็นมันเห็นแล้วไม่เป็นเนี่ยเกรเดตี